การศึกษาเชิงเปรียบเทียบตัณหากับฉันทะตามที่ได้ทำความเข้าใจและได้มองเห็นกันมามีจุดเริ่มต้นสำหรับพิจารณานในขั้นต่อไปคือให้ถือว่าแรงจูงใจในการกระทำของมนุษย์แบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้หนึ่งความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการ ที่ไม่ดีไม่สบายไม่เกือ้อกูลเป็นอกุศลเรียกว่าตัญหา 2. ความพอใจชอบใจยินดีอยากรักใคร่ต้องการที่ดีงามสบายเกือ้อกูลเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะแรงจูงใจแห่งตัญหา ตัณหาแปลว่าความกระหายความทยานความอยากความสเสน่หาความรนความร่านความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายไม่รู้อิ่มหลักสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตัณหาคือตามหลักปฏิจจสมุปบาทตัณหาเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัย โดยมีอวิชชาเป็นมูลรากกล่าวคือเมื่อบุคคลรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจก็ตามเช่นเห็นรูปสวยหรือน่าเกลียดได้ยินเสียงไพเราะหรือหนวกหูเป็นต้นแล้วเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยขึ้นในเวลานั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง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 ตันหาจึงร่านรนหันไปหาสิ่งที่จะให้เวทนาแก่มันได้และสิ่งที่ตันหาต้องการก็คือสิ่งใดก็ตามที่จะอำนวยเวทนาอันอร่อยซึ่งตันหาชอบสิ่งทั้งหลายที่อำนวยเวทนาได้เมื่อจัดรวมเข้าเป็นประเภทแล้วก็มีเพียงหกอย่างเรียกว่าอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะคือสิ่งต้องกาย และธรรมอารมณ์คือเรื่องในใจเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์จําพวกที่เด่นชัดกว่าเป็นรูปธรรมคือห้าอย่างแรกซึ่งเรียกว่ากามาคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทพที่น่าใคร่น่าพอใจอารมณ์หโดยเฉพาะกามาคุณห้านี้เป็นสิ่งที่ตันหาต้องการและเป็นที่เกิดของตันหา โดยในยานี้จึงขยายความหมายของตันหาออกไปได้ว่าตันหาคือความกระหายอยากในสิ่งที่ให้เวทนาหรือความกระหายอยากในอารมณ์ที่ชอบใจหรือในการมาคุณทั้งหลายหรือความกระหายอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจมาเสพสวยเวทนาอันอร่อยพูดสั้นๆว่าอยากได้หรืออยากเอา ที่ว่าตัณหาเกิดในอารมณ์6หรือกรรมคุณห้านี้เป็นการพูดกันสั้นๆอย่างรวบรัดถ้าจะพูดขยายให้เต็มความก็ว่าในปิยรูปสาตรูปซึ่งมีสิบหมวดหมวดละหนึ่งอย่างคืออายตนะภายใน6อารมณ์6วิญญาณหสัมผัส6เวทนาหสัญญาหสัญเจตนาหตัณหาหวิตกห และวิจารหกมีพุทธพจน์ตรัสว่าตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในปิยารูปสารูปเหล่านี้เมื่อจะตั้งหลักลงก็ย่อมตั้งหลักลงที่ปิยารูปสารูปเหล่านี้และเมื่อจะถูกละเมื่อจะดับก็ย่อมถูกละได้ดับได้ที่ปิยรูปสารูปเหล่านี้อย่างไรก็ตามเรื่องของตัณหายังไม่จบเพียงเท่านี้ การเสพสวยเวทนาจากอารมณ์เช่นนี้ได้สร้างเสริมความรู้สึกอย่างหนึ่งที่สั่งสมขึ้นด้วยความหลงผิดคือความรู้สึกว่ามีตัวตนหรืออัตมาผู้เสพสวยเวทนาเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีความเห็นต่อเนื่องไปอีกว่าการที่จะได้เสพสวยเวทนาอยู่เรื่อยไปก็ต้องมีตัวตนผู้เสพสวยที่เที่ยงแท้ถาวร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 ตัวตนนั้นมีอยู่เพียงชั่วคราวและก็จะดับสิ้นพินาศขาดสูญไปไม่คงอยู่เที่ยงแท้ถาวรความเห็นหรือความยึดถือนี้กลับไปสัมพันธ์กันอีกกับการเสพสวยเวทนากล่าวคือความมีอยู่คงอยู่แห่งตัวตนนั้นจะมีความหมายก็เพราะได้เสพสวยเวทนาที่ชื่นชอบใจเมื่อได้ได้เสพสม เมื่อนั้นความกระหายอยากในความเที่ยงแท้ฐาวรของอัตตาก็ยิ่งได้รับการเสริมย้าให้แรงกล้าแต่เมื่อใดไม่ได้เสบสมความดำรงอยู่ของตัวตนก็ดูจะไร้ความหมายเมื่ออาการที่ไม่สมนั้นเป็นไปอย่างรุนแรงก็ถึงกับเบื่อนายเกลียดชังไม่ปรารถนาความดำรงอยู่แห่งตัวตนอยากให้ตัวตนพรากขาดสวนสิ้นไปเสียจากภาวะเช่นนั้น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 มีส่วนรวมมุ่งมาที่ตัวตนหรือเพื่ออัตตาทั้งสิน้นบทบาทและการทำหน้าที่ของตัญหาเหล่านี้ได้เป็นตัวกากับการดาเนินชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ผู้คอยพนาพนอหล่อเลี้ยงมันไว้และเทอดทูลให้มันเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตนจงรักเชื่อฟังพร้อมกันนั้นมันก็เป็นแหล่งก่อปมปัญหาให้แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์ เป็นที่มาของความหวังความหวาดกลัวความระแวงความเครียดแค้นชิงชังความมัวเมาลุ่มหลงและความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆรวมความว่าปัญหาแยกได้ออกเป็นสมอย่างหรือสมด้านคือ 1. ความกระหายอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพสวยพรนเตอร์ตนหรือความทยานอยากในกาม เรียกว่ากามตัญหาสองความกระหายอยากในความถาวรมั่นคงมีอยู่คงอยู่ตลอดไปรวมถึงใหญ่โตโดดเด่นของตนหรือความทยานอยากในภพเรียกว่าภวะตัหาสามความกระหายอยากในความดับสิ้นขาดศูนย์ รวมทั้งภาคพนันรอนแห่งตัวตนหรือความทยานอยากในวิภพเรียกว่าวิภวะตันหาสามอย่างนี้เรียกสั้นๆว่าความอยากในกามในภ พ, พและในวิภพสำหรับการมตันหาจะจำกัดความว่า ตันหาในกา ร, รมคุณห้าก็ได้ว่าตัญหาในแง่ของความชื่นชอบกามในอารมหกก็ได้ภวะตัญหาคือความอยากความใกรที่ประกอบด้วยภาวะทิฏฐิคือสัจสะตาทิฏฐิความเห็นว่าเทียงวิภวะตัญหาคือความอยากความใกรที่ประกอบด้วยอุเฉธาทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูญ จึงสังเกตว่าเมื่อพิจารณาตามหลักพุทธศาสนาความผูกพันในกามเป็นสิ่งลึกซึ้งและเป็นพื้นฐานยิ่งกว่าความยึดถือตัวตนหรือความเห็นเกี่ยวกับอัตตาเช่นในสังโยสิปสักกายทิฏฐิความเห็นเกี่ยวกับตัวตนถูกละได้ตั้งแต่เป็นโสดาบันกามราคะละได้ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีและเมื่อบรรลุอรหัตผล จึงจะละรู ป, ปราคะและอารู ป, ปราคะได้ในอุ ป, ปาทานสี่อัตวาทุ ป, ปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนเท่ากับสักยทิฏฐิละได้ในชั้นโซดาบันส่วนกามุ ป, ปาทานความยึดมั่นในกามซึ่งรวมถึงรู ป, ปราคะและอารู ป, ปราคะ จะละได้ต่อเมื่อบรรุอรหัตผลตามกฎแห่งปัจจยยการตัณหานำไปสู่การสแสวงหาที่เรียกเป็นคำศัพท์ว่าปริเยสนาจะเรียกสั้นๆว่าเอสนาก็ได้ตามกฎแห่งปัจจยยการตัณหานำไปสู่การสแสวงหาคืออาศัยตัณหา จึงมีการสแสวงหาอาศัยการสแสวงหาจึงมีการได้คือไปหาไปเอาหรือรับเอาหรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นๆมาเสพเสวยผลสนองการสแสวงหานั้นก็คือการได้เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาให้ตนเสพเสวยแล้วก็เป็นอันตัดตอนได้ถือว่าจบไปช่วงหนึ่ง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 ในคำพีสุมังคละวิสาลีนีอัรถกะถาแห่งทีคานิกายและมโนระถปุรณีอัรถกะถาแห่งอังกุตระนิกายและคำพีสารัตทีปณนีวินัยอัตถกะถาดีกาท่านแบ่งตัณหาออกเป็นสองอย่างคือเอสนาตัณหาตัณหาในการสแสวงหาและเอศิตะตัณหาตัณ ห, หาในสิ่งที่สแสวงหามาแล้ว ในกุตการนิกายมัชิมาวัคและคำภีสุมังคลวิสาลีนีอัธกถาแห่งทีคานิกายกล่าวถึงชันทะว่ามีห้าอย่างคือปริเยสนาชันทะชันทะในการสแสวงหาปฏิภาลชันทะชันทะในการได้ปริโภคชันทะชันทะในการบริโภคหรือใช้สันนิธิฉันทะันทะในการสะสม และวิสาชนะชันทะชันทะในการแจกจ่ายหมายถึงหวานเงินหรือเลี้ยงคนเพื่อเอามาเป็นบริวารแล้ ว, ว่าชันทะทั้งห้านี้เป็นเพียงตันหาเท่านั้น